Thank <laughs> you. บทสวดที่เราสาธยายมาสักครู่เป็นบทที่สำคัญมากนะเวลาใครมาถามเราว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหรือว่าเราเรเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจเนี่ยนะพระสูตรที่ชื่อว่าอนัตตลกนัสสูตรเนี่ยคือคำตอบว่าคุทเจ้าสอนอะไรจริงๆมีอีกพระสูตรหนึ่งนาที่คู่กันก็คือพระสูตรที่พระองค์ตัดก่อนหน้านั้นนะ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 สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะัสิ่งนั้นมีความดับเป็นเป็นธรรมดาก็คือไม่เที่ยงและความดับมันก็แสดงถึงความเสื่อมก็คือเป็นทุกข์นและในตัวมันเองเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นอนัตตาด้วยแต่ว่าไม่ชัดจนกระทั่งผู้จ่ามาแสดงอ น, าตานัตตลคนัตสูตรเราสวนมาสักครู่ถ้าเราใจไม่ลอยพิจารณาตามนะก็จะเห็นว่าผู้จ้าเนี่ยอธิบายอย่างไรว่า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 สมัแม่เขาเรียก approach approach เนี่ยปัญหาก็ได้สองทางนะก็สรุปตรงกันว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตานะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้ก็เป็นคำาิธีว่าทำไมถึงพูดว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้พอผมก็อธิบายต่อไปว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรนะ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 ก็หลงเชื่ออันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วนะคือว่าหัวใจพุทธศาสนานี่คือการเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนัตตาตระหนักชัดว่ามันไม่มีเราไม่มีของเราไอ้ตัวกูเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานั่นของเรานั่นตัวตนของเรานั่นเป็นเราไอ้พู้นี้เนี่ยเป็นมายาภาพจริงๆมันไม่มีนะแต่ว่าถึงแม้เราจะ รับรู้เข้าใจด้วยการใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดไตรตรองเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเออเราเห็นชัดนะเราเห็นเราเห็นเราเข้าใจแล้วนะว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเนี่ยแต่นั่นยังเป็นการเข้าใจในระดับหัวสมองนะใจมันยังไม่ยอมรับหรอกใจมันยังยึดอยู่นะหัวสมองกับหัวใจบางทีมันก็ไปคนละทางนะคนที่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 นะตอนเมื่อมันรู้ว่าไม่มีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยไอความรักตัวเองมันก็ไม่มีความหมายแล้วแต่ตราดใดที่ยังมีตัวกูยังมีความยึดติดตัวกูอยู่ก็พยายามรักตัวเองให้มากแต่รักในทางที่ดีนะในทางที่ถูกในทางที่จริงแท้ก็คือว่าทำแล้วก็ตามอย่าไปเบียดเบียนตัวเองอย่าไปสร้างความทุกข์ให้แกตัวเอง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 เวลาโกรธเนี่ยนะมีคนมาชวนมาแนะนำให้เราให้อภัยมาแนะนำให้เราแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาทำให้เราโกรธแ้นะ่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธนะส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมทั้งทั้งที่น่าจะรู้หรืออาจจะรู้ได้ซ้าว่าการที่ให้อภัยการที่แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยมันทาให้ความโกรธทุเราเบาบางแต่เราไม่ยอมทำเพราะอะไรเพราะความโกรธมันสั่งเราว่าอย่าทำอย่าทา ความกวมไม่ต้องการคลองจิตคลองใจเราเอาไวนะ้ถ้าเราทำเนี่ยนะความกวนมันก็จะสูญเสียอำนาจครอบงมจิตใจมันยอมไม่ได้ไอ้ความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลามันคลองใจเรานะมันก็สั่งเรานะว่าให้เศร้าไปเรื่อยๆนะเวลามีคนชวน พ, พาเราไปเที่ยวเราไม่ไปความความเศร้าบอกว่าอย่าไปอย่าไปเวลาเศร้านี่เราชอบฟังเพลงอะไรนะเพลงสนุกหรือเปล่า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 เอากายเนี่ยเป็นบ้านของใจใจก็จะได้พักและใจก็จะได้ไม่ไปท่องเที่ยวเตะเตเล่ร่อนที่ไหนนะหรือวิธีที่หรือพูดง่ายกว่านั้นคือว่าเวลาทําอะไรนะให้ทําทีละอย่างทําทีละอย่างเนี่นีเป็นวิธีการเจริญสติแบบง่ายๆเลยนะเป็นหลักง่ายๆมันมีคําพูดว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างนะ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 บางทีก็นึกถึงลูกนะทํางานใจก็นึกถึงลูกเครียดกังวลพอกลับบ้านอยู่กับลูกใจก็ไปนึกถึงงานนะแทนที่จะอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยนะสังเกตว่าเวลาเราทํางานเนี่ยนะมันทําหลายอย่างพร้อมกันขณที่เราทํางานใจก็ไปนึกถึงอีกงานหนึ่งนะขณะที่เราอ่านหนังสือนะใจมันก็ไปห่วงงานที่ยังคาอยู่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 ร0อยรูปีเราก็ซื้อมาต่อแล้วเนี่ยห้าสิบรูปีโอ้เราดีใจพอเปอกล้านหนึ่งไม่ทันต่อเลยเขาลดละห้วสิบรูปีถ้าต่อยหน่อยก็ได้สามสิบหรือยี่สิบโมโหไปเที่ยวทัชมาฮาลนะแต่ว่าเสียดายเงินถูกหลอกนะอันนี้ก็ทำสองอย่างนะแทนที่จะเที่ยวนะก็มานั่งคิดเสียดายเงินวางนะวางไอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้ว